รู้สึกดีนะที่ได้มีโอกาสมา ร, ร่วมทาบุญในครั้งนี้ว่าได้มาร่วมบุญมาที่นี่เป็นครั้งที่สองก็อย่างชุลคุเลไปหน่อยข้อวันนี้ก็ดีนะการเจริญสติเพื่อรับมือกับความป่วยไข้ทําหัวข้ออะไรเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอาหารที่กินแล้วเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของคนทุกคนนะแหละเรื่องที่จะพูดในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งทุกคนที่อยู่ที่ทุกคนที่ดีในความจะต้องเกี่ยวข้องเดี๋ยวเรื่องความป่วยไข้ไม่ป่วยกายก็ป่วยใจบางคนป่วยกายหนักกวบป่วยใจบางคนป่วยใจหนักกับาป่วยกายบางคนหลักป่วกายทั้งใจรู้จะออกไปช่องไหนดีมันเป็นธรรมดานะ นัเรื่องที่พูดในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยกับทุกๆคนมันก็ไม่เพียเรื่องธรรมะธรรมะเป็นเรื่องของทุกชีวิตไม่ใช่เรื่องของใดทุกชีวิตจะต้องมีธรรมะเพราะธรรมะสอนเรื่องตัวเราสิ่งใดที่ไม่ได้สอนเรื่องตัวเราไม่ใช่ธรรมะรธรรมะที่แท้จริงต้องสอนเรื่องตัวเราบางทีเราคิดว่าเออตัวเราไม่เกี่ยว ไม้ว่าตัวเราไม่เกี่ยวญาติของเราก็เกี่ยวขอ้องอาจจะเดินสามีเราลูกของเราภรรยาของเราหรือเพื่อนของเรากระทั่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะความแก่ความเห็ุความตายความพัดพลาดความชอบเป็นไปนตามกรรมเนี่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งนั้นนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตั้งใจแล้วก็ ฟังเอาไปแล้วก็นําออกไปคิดพิดจารณาแล้วก็ลองขับุูทุกเองนี่ตัวไปแล้วมีครูสอนธรรมะเยอะอือครูสอนธรรมะตอนแรกเราคิดว่าครูสอนธรรมะคือพระเจ้าแต่พอเราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยผู้เจ้าไม่ใช่ครูสอนธรรมะทีแ่แท้จริงเนี่ยครูสอนธรรมะแท้จริงนั้นคือธรรมชาติ ธรรมชาติเนี่ยสอนได้ดีกว่าผู้เจ้าสอนเราอยู่สามแต่ธรรมชาติที่รอบตัวเราและธรรมชาติของตัวเรานี่แหละสอนธรรมะเราได้ดีกว่าผู้เจ้าสอนเราอยู่สแต่ท่านหมาเพียงแค่ผู้ดีนี่ยนชี้ทางการวางัจแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราตรงนั้นแหละโอ้ธรรมชาติของตัวเรามันสอนําไมากับเรา เป็นครูคนแรกเรามองใกล้ตัวครูคนที่สองก็คนใกล้ตัวเราพ่อคุณแม่เราอสอนศรพท์ธรรมได้ดีมากสอนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพัฒนาและความต้องเป็นไปนตามกับผมเองนี่ก็พึ่งจากครูคนที่สองคือคุณแม่เนี่ยครูสอน ผมไปเป้าไผ่ท่านได้ธรรมะจากการเป้าใผ่ที่ใหญเลยธรรมะที่เกิดจากการเป้าไผ่โอ้โหมันถึงบอกถึงใจตรงนี้แน้วนะคุณแม่ท่านแก่ให้ดูท่านป่วยให้ดูท่านทุกข์ให้ดูท่านสมมุบให้เราดูโอ้นี่เป็นครูที่สอนเราได้ระมักิดเชื่อคุณแม่เชื่อคุณพ่อแต่ที่คุณครูเราไม่เคยเชื่อ ที่รูทีมาที่หลังนี่นเราเขาไปอยู่เชียงใหม่เกือบยี่สิบวันไปอยู่เันเพื่อนคุณแม่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่ศรีพัดน์โรงพยาบาลของส่วนดอกท่านป่วยมา น, นานป่วยหลายโรคนะอายุท่าน 80-81 ปีป่วยด้วยลิ่มเลือดในสมอง 1, ลกนะันหนึ่งโรคก็มีอาการเป็นอาาัามาพาตอัมพาตเลยไม่ได้ต้องนั้งรเก็าคู่กับคนนะี่ย <c oughs> ดังพูดกันเดินไม่ได้ลิ้งแข็นพูดไม่ชัดความจำนไม่เต็มร้อยคิดช้าและตอนนี้ก็มีหลายโรคนะโรคอีกแับถุงลมเกี่ยวถุงลงมป่งพองแล้วก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่เจอโรคใหม่ล่าสุดคือนิน่วในไตลำไส้อาเจ หายไม่สะดวกความแจ้งืลยยังมีหลายโรคคนค้าคนแจ้งมากไปโอ้นี่เป็นที่รวมแห่งโรกศูนย์รวมของโรคครูสอนธรรมะเราโอ้นี่คุณแม่เป็นหลายโรคเลยะก็ไปเต้ามาแล้วก็มันก็ามาช้าออกตัวบ้าตั้งแต่ตีห้ า, า, าบบ ข, ขึ้นขึ้นเคบินตอนเจ็ดโมงมาถึงดอนเมืองแปดโมงไว้นะดีที่เครื่องบินไม่ติดไปแดงนะมาถึงไวนะ่น่อยลงรถมาก็ เดินมาที่ชมรมพักนิดหน่อยทางของว่าแล้วก็ออไปเนี่ยมาเล่าสู่กันไปแต่ว่าเนื่องจากคุณแม่ทา่านไม่ค่อยทุกข์มากเพราะท่านมีศรัทธาในพุทธศาสนามีศรัทธาท่านในเรื่องศรัทธาพื้นฐานชอบทำบุญให้ทานส่วนมนต์รักษาสติก็มีการภาวนามากหรือจะไม่ครบสุด การทำสมาธิฝึก ส, สติบ้าเป็นขั้นกลางเพิง่งมาเริ่ม ส, สติต่อแ ล, ล้ว้างหลังเนี่ยแต่ก่อนท่านรู้จักคำว่าสติรู้แต่เรื่องทำสมาธิสงบโททุโทจิตสงบแล้วไปสวรรค์ถ้าวพอดีนั่นแหะนี่มีปัญหาเวลาป่วยไข้เนี่ยหลายครั้งหลายวัสติไม่ตั้งมัางเมื่อสติไม่ตั้งบ้างจิตจะสงบไม่ได้ สมาธิก็ไม่เกิดก็มีวานกุ้มลุมความคิดตา่ตางๆรับโกรธสงสัยหมุดหิตซึ่เทอ้อมาเป็นทงังเป็นครามสติจับไม่ทนันเพราะสติยังไม่ค่อยเกิดดำนไที่จิตไม่สงบอารมณ์มันก็จะเข้าแทรกกันทีแล้วจิตสงบเขาว่าสงบท่านเห็นท่านไม่ได้โรนายสงบสงบเพราะว่า กิเลสนิวรณมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นจนพอสมควยแล้วมันก็ต้องจากไปท่านก็ไม่ได้สนใจกับเรเ่อพวกนี้ยพอกิเลสนิวรณเข้ามาท่านก็ต้อนรับแล้วมันก็จากไปติดเจ้าสงบเวลาติดต้อนรับกิเลส น, นิวรณ์ติดก็ฟุ้งซ่านสังเกต ด, ดูติดใจที่เลื่อนลอยแล้วก็ซัดสายตอนนั้นกำลังถูกรอบด้วยกิเลสติดไม่สงบแล้ว และตอนเนี้ยทุกขเวทนาทางการท่านก็จะไม่รับรู้เพราะจิตมัวแต่ไปเพลิดเพลิน อ, อยู่กับนิวรที่ครอบครอบเงานะยามใดที่นิวรหมดกำลังโดยธรรมชาติมันอยู่ไม่ได้แล้วจิตก็สมบุจิตสมบท่านก็มีความเบิ่อปานเราก็อ๋อธรรมชาติของคนเนี่ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละบางทีเราก็ต้องไปช่วยท่านคือท่านทําบุญไว้มาก นึกถึงบุญกิลิยาท่ามาส บ, บาย ใ, ใจแต่ในยามที่กายป่วยในใจมันเลิกอย่างั้นไม่ได้หรอกายมันจะไปคลุกเคล้าความป่วยทางกายแล้วก็อารมณ์ต่างเรื่องความคิดต่า ง, อ ง, อางไม่เปิดโอกาสให้บุญเข้าแทรกบุญเลยหมหวานบุญเป็นชื่อของความสุขบุญไม่ใช่กิระยาบุญไม่ใช่สติ ป, ปัญญา บุญเป็นชื่อความสุขใครทำบุญมากๆก็มีความสุขมากซึ่งต่างกับกุศลนะกุศลไม่แปลว่าความฉลาดตัดเจื่อซึ่งกิเลสกุศลคือเครื่องตัดกิเลสเพราะตัดกิเลสแล้วจิตมันก็ไม่ครุมแต่งไม่ปรุมสร้างไม่ยึด ม, มัน่นถึงมั่นพ้นจากกิเลสพ้นจากการเกิดคําว่ากุศลกับบุญนี่ต่างกันนะนะ เราก็จะพูดว่าอ๋อทำบุญกุศลจะปล่าสมว่าทำบุญแล้วก็อธิษฐานไปเกิดในตวหวันนั่นหรือกุศลกุศลต้องทำแล้วจัดปล่อยวางนะถ้าทำแล้วหวังจะได้เนี่ยมันได้แค่ความสุขชั่วขณะที่ทำแล้วคิดว่าเราจะต้องได้นั่นต้องแยกข้อบุญกุศลกุศลคือความฉลาดคือตัดเศษซึ่งกิเลส ไม่ต้องกลับมาวุ่นว้เกิดแต่บุญในยางเวียนว่ายตาเกิดอยู่ในอกองทุกข์ในจิตแตกกันนะแต่ว่าเราสามารถไปด้วยกันได้เราสามารถสร้างบุญเพื่อ น, นําจิตนำใจไปสู่กุศลแต่กุศลจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีสติสีนกุศลเกิดไม่ได้เกิดขึ้นแต่บุญบุญมีความสุขแล้วเวลาป่วยไข้ทาง ก, การเนี่ย สติไม่ระลึกถึงบุญที่ทํามาบุญก็เป็นหมันไปนะสติเป็นผู้ดิ่นันบุญมาคิดนำมาโอ้เราเคยทําบุญเราเคยสวดมนเราเคยทาสังฆทานอย่างนี้เนาะสติเป็นผู้ระลึกเอาบุญเอามาใช้เอาบุญมาใช้ใจเราของใสสติเห็นบุญนานเนี่ยมันรู้ความจริงของบุญแล้วบุญก็มีเกียรตินะ เพราบุญมนก็ไม่เที่ยงถ้ามันไม่เกิดบุญก็ไม่ส่งผลถ้าบุญเกิดก็ออมันส่งผลได้ตอนที่มันเกิดมันดับแล้วผมก็ไม่เกิดสติรู้ที่วินิจฉัยดูว่าอ๋อแม้แต่บุญก็ไม่เียงไม่ควรคิดมัานถึงมันแต่ทำแต่อย่าได้ยึดติดนี่ดีเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลที่ซ้อนเหนือบุญอีกทีมองไอม ถ้างงสติรู้ว่างงเนี่ยเป็นกุศลนะอ๋อใเ็กุศลรูเต่าถ่อารมณ์แม่เกิดคุณแม่ทำบุญได้มากแต่ไม่ค่อยได้เกิดติจิตท่านจึงมีความสงบบ้างคุ้มมากสงบบ้างคุ้มมากแต่ทุกครั้งที่ท่านนึกถึงบุคคลแล้วท่านก็สบายใจทุกครั้งที่สติไม่เกิดท่านก็สิตนิ่งๆเฉยๆบา น, นก็เลื่อนลอยคนที่ทำบุญมากๆติล้หลัง แตลืมทำผุ้มสมคือการิลนสติเพื่อนำอื่เอามาใช้แล้วก็สร้างปัญญาสติรู้เท่าทันปัญญารู้แจ้งต่างนะรู้ทันจะรู้แจ้งรู้ทันมันยังไม่จบนะโอ้นี่เราคิดรู้แล้วว่าคิดแต่ยังไม่แจ้งยังเอาความคิดเป็นลามถ้ารู้แจ้งโอ้คิดสักวพราความคิด มันจะสัตบุคคลตัวเราเขาปล่อยวางความคิดด้านคือรู้แจ้งเพราะความคิดมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ที่นือนกันก็อจะกลับมาผมก็บอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปกรุงเทพนะแม่เขาก็จะไปเมื่อไหร่ก็ถามจะไปเมื่อไหร่ไปทำไมเราเริ่มไดอ่อนถ้าเราตอบไม่ดีถ้าอาจจะเศ้าหมอกก็ได้แล้วถือโอกาสเอาบุญมาล่อคุณแม่ ผมไปทำบุญไปพูดธรรมะให้คนเขาฟังนี่เป็นการทำบุญนะโอ้ไปเลยลูกไาบุญมาลอล่ให้ท่านหลอกสายโอ้ไปเลยไปอันนีโมทนาบุญด้วยเออแล้วบุญที่ผมไปทำนี่ไม่ไปไหนหรอกผมก็ามาฝากแม่ให้บุญช่วยรักษาให้ธรรมะช่วยรักษาเออตั้งกับปล่อยเหรอมา บัวไม่ชาวน้ำไม่ขุดแล้วก็มาได้งานไม่เสียคนก็ไม่เปิดงานครูอสอนธรรมะมันเกี่ยวข้องแม้ไม่เกี่ยวกับตัวเราก็คนรอบตัวเราเราสามารถเรียนรู้ธรรมะได้แล้วก็น้อมมาสู่ตัวเราพระเจ้าท่านสอนธรรมะกรรมมือเดียวกรรมมือเดียวเนี่ยมันมีหลายข้อแต่ละข้อรู้ว่าเป็นกรเดียนรูน ะ, ะท่านสอนเรื่องทุก ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้ก็การมือเดียวเหมือนกันท่านสอนที่ไหนพระเจ้าสอนธรรมะที่ไหนก็ท่านสอนที่ตัวเราถ้านสอนที่ตัวเราก็รท่านตรัสรู้ที่ไหนที่กายที่จิตของท่านไม่ตรัสรู้อินเดียหรอกอินเดียเป็นเพียงแค่สมมุติจะอยู่นะตรัสู้ที่กายที่จิตสอนธรรมะเราที่กายที่จิตนั่นแหละคือธรรมะการมือเดียวสอนที่กายที่จิต ที่โรูปี่นานที่ผ่าห้าสอนว่าอย่างไรสอนให้จเจริญสติ ป, ปัญฐาสีสตินี่ก็เป็นธรร ม, มา ก, กันมเดียวนะเพราะว่าบทสุดท้ายนีย่ก่อนที่านจ ะ, จะเสด็จดับกันท่าริพานถ้าสรุปลงทันเดียวคือความไม่ประมาทใช่ไหมความไม่ประมาทนี่พอจบครั้นี้ปับ๊บท่านไม่ได้พูดอะไรเลย แปว่านี่แหละมรรคที่สุดท้ายคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเอ ง, เองนี่ก็วิธีการปฏิบัติที่เป็นธรรมะกรรมือเดียวเหมือนกันคือตัวสติสัมปชัญญะเาะฉะั้เวลาเราพูดถึงธรรมะถ้าเราเกี่ยวข้องธรรม ะ, ะอย่าลืมคาว่าสติสเติเป็นผู้นำปัญญาให้เรารู้แจ้งแม้ว่าเราอาจจะ มีความแก่เป็นธรรมดาความแก่เป็นเรื่องงร่างกายแก่เพื่อที่ใจจะไม่ต้องทุกข์แยกกันนะก <c ười> ายแก่แต่ใจไม่ทุกข์มีใครไม่แก่บ้างแม่มีเด็กมาทั้งนี่เด็กคนน ก, ก, ก็คือแก่แก่จากความเป็นทาโรบมากลายเป็นเด็กแก่จากการเกิดวันแรกกลายเป็นเกิดหลายวัน <c ười> นั้นคนที่อายุสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าปวกนอย่าอย่าดีใจถ้าเรแก่มาสิบสองปวกแล้วทุกคนต้องเจอความแก่นั่นเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่เมื่อร่างกายต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาใจก็ต้องไม่ทุกข์เมื่อร่างกายต้องตายใจก็ไม่ต้องทุกข์ ในคุรานกันเมื่อต้าเจอความพักพลาดนั่นเป็นสิ่งภายนอกใจก็ไม่ต้องทุกข์ไอความไม่ทุกข์นี่แหละเพราเป็นบทสรุปของธรรมะทั้งหมดเลยแต่เราไปทุกข์เพราะว่าเราขาดสติขาดสติรู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งของธรรมดาและเกิดสิ่งที่ขาด ย, ยังคือขาดปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราในเรื่องทางกายเนี่ยจะทําโยงค่ะ จะรักษาก็รักษาไปเถอในเรื่องทางจิตเนี่ยมีสติควบคุมไว้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันใครแก่ก็ขอให้แก่ขั้สุดท้ายใจไม่ต้องทุกขใครเจ็บใครไป่วยก็เจ็บป่วยขั้นสุดท้ายนะใจไม่ต้องทุกขใครจะตายเอาตายขั้งสุดท้ายใจต้องทุกข์เพราะเราไม่ต้องเกิดอีกแล้วทุกอย่างขั้นสุดท้ายทั้งหมดเลยถ้าสรุปที่ใจไม่ทุกข ถ้าใจทุกข์เนี่ยมันป่วยทุกวันแก่ทุกวันตายทุกวันอยู่ทุกันใจต้องไม่ทุกข์การเจริญตีประธานที่ธรรมกัมมเดียสุดท้ายเนี่ยเพื่อความไม่ทุกข์ทางใจนะและมันทําได้มันเป็นไปไดแค่เพิ่มสติตัวรู้ตัวเดียอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจจากสภาพปัจเุบัที่เราเป็นอยูย่ให้มันเจริญงอกงาเป็นปัญญาได้สติปฐานสี่เนี่ย ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาเป็นสติตามสัจจญาณเนี่ยเป็นสติที่มองไปนอกตัวตลอดเลยโอ้จำได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรโอ้คำคำนี้ภาษาอังกฤษนี้มันแปลว่าอะไรคนนี้มีทิศทางอย่างไรมันไปกับอิหละไปกับความคิดไม่ใช่ต็สติสต่มาชันยะเป็นสติโดยธรรมชาติสติกินข้าวสติง่วงนอนสติเบื่อสติเต้น สติเมื่อยโอ้โนั้นเปนสติธรรมชาติดนะังนั้นถ้าเราไม่เมาไม่หลับไม่สลบไม่ตายมันจะยอมเกิดขึ้นได้ <c oughs> แต่สติสามัญญาที่ว่าเนี่เป็นสติที่ระลึกรู้อยู่ในตัวเรารู้เรื่องของกายเรื่องของจิตเป็นสติที่เกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันขณะท่านได้ยินผมพูดไหมอ่านั่นสติเกิดแล้วนะ ปัจจุบันเลยกันได้ยินท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังนั่งอยูน่นี่คือสติปะัะญามีกายเป็นฐานนั่ง้ารู้ไหมท่านกลังฟังทำแล้วหน้าเครียดเนี่ยเชื่อว่าท่านไม่รู้แล้วท่านกำลัอินมากเครียดทำไมคนพูดยังไม่เครียดเลยไม่ต้องเครียดฟังแบบเบิกบานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องต้องเครียดเรื่องของความคลาย คลายร่างกายคลา ย, ลายจิตใจถ้าเมื่อยก็ขยับไม่เป็นไรนะขยับแบบเนี้เนี่ยผมก็เมื่อยก็ขยับไปนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดขยับไปรู้สึกตัวเนี่ยโหได้ทั้งกุศลเลยนะสติสมัมปชัญญะต้องรู้ตัวว่าเรายังมีชีวิตอยู่รู้ไหมเรามีชีวิตอยู่ถ้าคนจิตใจเลื่อนลอยเนี่ยมัวแต่ฟังเพลินเนี่ยเราไม่มีชีวิตแล้วนะเพราะใจบวชสงไปที่ผมแล้ว ลืมกายกรา đ a n นั่งอยู่ต้องรู้อยู่ว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ใจไม่เื่อนลอยจำได้ไม่ลืมอยู่กับปัจจุบันและต้องรู้ด้วยว่าไอที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรานะอันนี้คือสติรู้ทันปัญญารู้แจ้งว่าไม่ใช่เราสติปัฏฐานสต้องเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเข้าถึงตรงนี้แล้วก็เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปดพ้นจากความเกิดอยู่เนื้อก ร, รมเพราะไม่มีใคร ร, รักกมถ้ามีเราเราเว ล, ลาเป็นผูดด้ทีรร่รักกมอย่าละโทษเจ้ากมในเริงเราได้สร้างเจ้ากมในเริงกับตัวเรองกตต็เราไปยึดติดเช่นว่าวิธีการเกริดสติเพื่อรับมือกับความปวยไข้สติคือความลึกได้ ระได้ว่าเรากำลังนั่งอยู่แต่ที่นั่งนั้นมันไม่ใช่เราเรากำลังนั่งอยู่ในสมมติพูดแตร่รู้ว่าที่นั่งมันไม่ใช่เราั่งใครนั่งอย่าไปสนใจเลยละมีอาการการนั่งอยู่แลากันแล้วสติเป็นผู้ที่รู้มีการนั่งเป็นฐานให้สติเนื้อรู้เราเคลื่อนไหวในอาการาต่างๆมันก็ไม่ใช่เราเคลื่อนไหว เป็นกายที่มันเคลื่อนไหวและมีสติรู้เราเดินสติรู้กายเดินก็ไม่ใช่เราเดินอาการนอนบิดไทา ง, ทาง้าขวาในรูปแบบของโยคะนั่นก็ไม่ใช่เราการเคลื่อนไหวกายมันเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็สติเป็นผู้รู้ทุกนรียบบทการจะเข้าออกน้ำการขับถ่ายการท า, า, ารหา อาการของกายมันไม่ใช่อาการของเราเป็นเรื่องของกายสติเป็นผู้เรียนรับรูร้รทราบเอาไว้มันแยกมันต้องแยกระหว่างกายกับสติที่เป็นผู้รู้เป็นคนละส่วนกันอันนี้เป็นเบสิคเป็นพื้นฐานต้องมีกายเคลื่อนไหวไปมาเป็นเคลื่อนอยู่ของจิตในงั้นจิตจะเลื่อนลอยไปในรลบอดีนาคตไม่กลับมารู้จักตัวเรา สังเกตดูกายที so damit, e hier, hier, ่มันกำลังื่อนไหวดูยวงทางดูเฉยๆรู้เฉยๆแบบไม่ต้องใช้ความคิดการเตลสติเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องเปลืองสมองรู้เฉยๆรู้สึกและสัมผัสแรกว่ามีกายกำลังนั่งถ้าสัมผัสต่อไปมันจะคิดแล้วก็รู้สึกและสัมผัสแรกที่มันคิดยังไม่ถึงเรื่องราว แต่เอคิดถึงเรือเ่องราวตั้งสติรู้ทันอ๋นี้มันคิดสัมบัตต์แรกเนี่ยปรามาถึงตัวจริงสัมปัตตต่อมาเป็นความคิดอันนั้นเป็นย่ของจริงแนละวพาเราไปทุกต่อไปเพราะความคิดนะมันต้องแยกการแยกสติผู้รู้อารมณ์ที่มากระทบนั่นก็คือส่วนสติผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานต้องแยกให้หน้าใจมันจะปลอดภัยจากกายที่มันทุดโทรมเนี่ย คือการสติรู้กายเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเครื่องอยู่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่แบบแบบเข้าไปเป็นนะอยู่แบบพัวสายชั่วคราว้าเมือ่อในอาคารเนี่ยชัวยวนะ่วคล้าละเดี๋ยวเราก็ย้าย้ายกันไปเดือแต่อาคารวนะพาศัยเป็นชั่วคลาวเป็นเพื่อนรู้อุดสติต้อรู้ตรงนี้แม้มันจะเลื่อนลอยเนี่ยเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมพร้อมที่จะรู้แล้วสังเกตดูกายบ่อยๆเนี่ยเราจะได้เป็นทุกข์กับมันวะโอนี่มันแก่ใเรื่องของกายเนาะ เป็นกรรมของกายที่มันเกิดมาแล้วมาต้องแก่เวลากายปย่วยโอ้ยนี่เรื่องของกายเนาะกรรมของกายที่มันต้องป่วยไม่ใช่เรื่องของเราป่วยนะมันเริ่มแย่ถึงขั้จะตายโอ้ยนี่เนเรื่องของกายกายต้องตายธรรมดาสติรู้ไว้มันเริ่มที่จะลาออกจากกายที่มันสุดโสงนะถ้าไม่ฝึกตรงนี้นี่เราต้องไปทุกข์เพราะกายเราอ้ ว, วนไปมั่งหอมไปมั่งดำมั่งขาวมั่งเตี้ยมั่งนะ มันเป็นเรื่องของกายเท่านั้นอ่ะมันมาให้เรารู้นะมาสอนทําไมเราว่ามันไม่เทีย่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเหรอกมันชั่วคราวชั่วคราวแล้วเราก็แยกย้าจากกันไปมองกายเหมือนโรงแรมที่เราต้องเช็คเอาท์ได้ไม่ช้าอย่าไปบวมมันอย่าไปมเดิร์เช็คจริงเช็คเอาท์บ้างแล้วไม่ต้องไปหากายใหม่อยู่แล้วเช็คเอาท์จากกายนี้อยู่กายรู้ดีกว่าสวยกว่า ไอ้กายนู่เนี่ยก็นอกเปลือเหมือนกันแนหะละกายไหนก็ไม่น่าอยู่อาศัยเป็นชั่วคราวนะสบายเลยจิตมันเริ่มที่จะปลอดภัยนะปลอดภัยที่ว่าเริ่มที่จะออกหายจากกายที่มันสุดโสมแนละ้เริ่มจะลาออกจากมันแนละ้วแต่ไม่ลาไปไหนก็ใาศอยู่ด้วยกันช่วยกันช่วยการช่วยกายพากายไปทำประโยชน์พากายไปปฏิบัติ ท, ทําให้มันพ้นจากกายโอ้สรรพัดอย่างใช้กายให้เป็นประโยชน์ แปลว่ากายจะโศมอะไรแล้วก็ใช้ได้ใช่เนี่ยคนพิการใช่ไกายพิการเราไปทำารโยชนไม่ได้เอาให้คนหามันเอาไปช่วยหามกายนี่ปการประโยชน์หน่อยเดียวคนเมานะคนเมาเนี่ยเออมึงหามไปตีมั้อไม่ได้หามกายกันประโยช น, นย์เรามีกายเป็แค่เคื่ออาศัยทำประโยชน์หรือไปรดเครื่องถึงที่สุดความเนี่ยเรื่องของกายนะ ไม่เป็นไรนะอาจจะไม่แจ้งไม่เป็นไรหรอกมันจะมีหลายเรื่องที่เราต้องแจ้งกับมันหนึ่งเช่นเรื่องของกายจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายคือทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาต้อเกิดแต่สุขนั้นมันเรามากากักจะไม่เข้าถึงสุข ข, อ, ข, ข, ของกายที่แท้จริงและมันหายากแต่ทุกขเวทนามุกกายเนี่ยมันหายง่ายง่ายกว่าไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ลากเรานะทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนานี่มันไม่ค่อยลากเราเรา ตามหามันอยู่เรื่อยทุกเวทนาเนี่ยว่ามันซื่อสัตย์ต่เรามากอยู่ไหนไปกับเราด้วยนอนไหนนอนด้วยเจ็บไหนเจ็บด้วยโอ้นี่ทุกเวทนานี่มันมันน่ารักจริงแต่เรากลับไปลังเกียจมันนั่นแหละครูสอนทำครูเวทนาสอนทำทุกเวทนาเป็นบทเรียนบทแรกที่ทำให้เราทนทุกข์ได้เพราะเราโมแต่ลังเกียจไม่มองดูมันแต่นี้มันอยู่เรื่อย ผมเมื่อยปั๊บจะเปลี่ยนตาพลึกไม่รู้อะไอ๋นี่เมื่อยเป็นเรื่องของกายเนาะมันไม่ใช่เรื่องของเรากายมันต้องเมื่อยถ้ากายแล้วเมื่อยือกายเอามาพาักใช้ ป, ประโยชน์ซะบ้างอย่าไปต่อต้านอย่างเดียวนะเราคิดต่อต้านสิ่งนี้ก็ตามต่อต้านกายก็ตามเราไม่วันจะได้ความรู้จากสิ่งนั้นหรอกให้รู้ทันอ๋อทุกตัวเทนานเป็นเรื่องของกายเนาะแยกทุกของกายส่วนกายสติเป็นผู้รู้นะ แยกเวทนาออกจากจิตที่มีสติเป็นผู้รู้กายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บกายเป็นมะเร็งมะเร็งบีบคั้นเฉพาะร่างกายแต่ไม่สามารถบีบคั้นใจิตใจเราต้องเป็นทุกข์ร้ายหัวเราบย่อมะเร็งกายโรคภายแค่เจ็บแต่ใจไม่ทุกข์กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยแม้ว่ากายจะกระสับกระส่ายแต่ใจไม่กระสับกระส่าย ทุกเวทนาเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจจะต้องไปทุกทรมารกดอะไรนใจไปแค่เรารู้เรารู้ทราบมันแยกติดออกจากทุกทางกายได้ถ้าเรามีสติรู้อยู่ถ้าเราขาดสติเราก็ไปเหมาโลว่าเวทนานี้เป็นเราป่วยเราเจ็บเราแย่ทก เ, เมือ่อถ้ามีสติแล้วสติมันเป็นตัวหานะ ระดัแรกคือหาทุกเวทนาไปครึ่งหนึแล้วสติริฟไว้แล้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ลิฟบริจักของสติคือลบไปครึ่งหนึ่งหรือเวทนาตังกายให้เราดู ห, หน่อยใช้หมดเลยจะไม่เกิดปัญญาให้มันมีอยู่บ้างเอาให้เราดูเวทนาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราให้เกิดปัญญาเวทนาเกิดขึ้นย่าไังเกียดเวทนารุนแรงนั่นแหละมันทําให้เราเกิดปัญญาได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่าไปลังเกียจแต่ว่าอย่าไปยึดป็นเราแยก เวทนาส่วนเวทนาสัตวเวทนาไม่ใช่สัตว์ดูคนตัวเราเขาสติเป็นผู้ที่เบิกปัญญามารู้แจ้งหมดนะเนี่ยฝึกเอาให้หน้าทุกเวทนาอย่าลังเกียจจะหนีอย่า ง, งเดียวนั่นหลักครูสอนธรรมะเลยพระเรียเจ้าหลายรูปหลายองค์เนี่ยคือพ้นพ่อทุกเวทนาทุกมีไว้เพื่อหนีใช่ไหมทุกมีแว้เพื่อรู้ถ้าไม่รู้ทุกเนี่ยมัหนหีทุกไม่ได้หรอก หนีทุกตรงนี้ก็ไปเจอทุกใหม่เพราะเราไม่รู้จักหน้าของทุกเมื่อเราไม่รู้จักงูหนีงูไปไม่รู้ว่างูเป็นยังไงธรรมชาติเป็นังไงว่าเป็นไงหนีไปก็ไปจับงูเหมือนเดิมให้รู้ทุกรู้ทุกอย่าเข้าไปพูดทุกแล้เราจะค้ทุกได้อย่าลำเอียงนะน่ารักครูสอนธรรมบัญอย่าหนีทุกหรือว่าให้รู้ทุกครั้งที่รู้ว่ากายเป็นทุ้บปั๊บได้แล้วสตินคะันแน จำไม่เสียปยัญญาไม่เสียเวลาแค่รู้ทันมันเมื่อรู้ได้เหมกันนะเก็บกันสติเวลาเข้าไปร่วงโอเวทนาเนี่ oh, we, ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะความป่วยไข้มาเมื่อไหร่ก็ต้องมีทุกขเวทนาเป็นธรรมดายังไงตายมันก็ต้องเจ็บอ่ะแม้จะมีสติมากขนาไหนตายก็ต้องเจ็บแต่สติไม่ได้เจ็บสติเป็นแค่รู้ความเจ็บของกายจะเป็นกลาขขงแบบนี้ แต่ชั่วมสติเราตายไม่เก็บนะี่ยไม่ใช่มันก็ต้องเก็บแต่ว่าการเจ็บของกายไม่ทาให้ใจต้องเป็นทุกข์ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นทางจิตกายหลุดพ้นไม่ได้หรอกมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่หลุดพ้นได้ที่จิตใจรู้แจ้งแล้วก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันมันพ้นที่จิตต้องฝึกเอาไว้ฝึกอดทนดูทุกขเวทนาสับ้างเช่นความหิวอย่างเงี้ยเขาตัวเรความหิวไหม มีประโยชน์นะตัวความอยู่เนะี่ยอย่างคนที่ป่วยไข้เนี่ยต้องฝึกไว้เพราะเวลาป่วยไข้เนี่ยหมอนะหขเขาบอกว่ามาเจาะเลือดแต่ต้องงดน้ำงดอาหารนะถ้าไม่ฝึกเอาชนะความอยิ่ไ้ก่อนเนี่ยโ อ, โอ้โหเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ใจมันทุกข์นะใช่บางทีจะต้องเข้าผ่าตัดต้องงดน้ำงดอาหารอีกแล้ว ต้องฝึกเอาไว้บางทีบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไปได้จะต้องเผชิญหน้ากับอาการแบบนั้นทุกขเวทนาตอนนี้เองแค่นี้ยังทนไม่ได้นะและทุกขเวทนาก่อนจะตายมันรุนแรงนี่ทนได้หรือทนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยอาบายภูมิไปที่หวังใจนิ้นรนกายก็ดิ่งลนจะลาบากการอดทนต่อทุกเวทนาเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างบรารมีธรรมย่าเร็วยไหล สร้างกรณีทำเห็นเวทนาบ่อยๆเกิดธรรมะอรู้แจ้งว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราผมเองนี่เวลาร่างกายตุกเวทนาเนี่ยผมจะรู้ทันถ้าเอาชนะไม่ได้เป็นสติปัญญาอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนเนึ่งเรากําลังเผชิญหน้ากับเวทนาตอนหน้า ต, ตาเนี่ยโอ้เราภูมใจมากเลยเรากําลังทําสิ่งที่สุดในชีวิตเพื่อช่วยเยื้อใจเราไม่ให้ทุกข์ร่างกายอ่อนแอแต่ใจเข้มแข็ง เนี่ยเราดูเวทนาแล้วมันมันภูมิใจที่เราทำเนื่ดูตัวเองนะเนี่ยอดทนต่อเวทนาเพื่อตัวเองนะเนี่ยไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยภูมิใจมากจนานินกลาจะว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาซะแล้วอยู่กับวุฒเวทนาโดยที่ไม่ต้องอดทนโอ้ไม่เป็นธรรมดายู่กันเลยเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนที่อยู่กับเสื อ, อแรกกลัวเสือแต่จะเป็นต้องอยู่กับเสือ แต่เข้าแลชินกับเสือรูปหนูเสืเอเล่นอยู่กับเสนันโดยที่เกิดความเคชินโดยที่ไม่น่ากลัวก็ได้อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาอะไรมากเลยแค่สติรู้ทันในอาการที่เกิดให้เห็นว่าเวทนาสาวาเวทนาไม่ใช่สัตว์มงคลตัวตัวเราเขาอยวไปคิดติดเลงแต่เวทนาทุกที่มันเกิดขึ้นนั้นะมันตรุนแลงเพราะอะเพราะเราไปคิดใช่ไหมถ้าเกิดแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวเนี่ย จิตไม่คิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหาคือจิต ท, ที่มันปรุงแต่งทําไมถึงต้องเป็นเราเนาะทาไมเราถึงเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะหายถ้าเป็นมากไปจะทําทอย่างไรมันไปนตั้งคําถามว่าทําไมทําไมทําไมแล้วทุกเวทนามันก็ยังไม่ปรากฏไอ้ทุกทางอีกเนี่ยมันรุนแรงมากเลยอันนี้ยคือป่วยทางจิตแล้วนะเนี่ยป่วยแล้วเอาไปปรุงแต่ง ลือเวทนาทางกายแต่ไปมุ่งที่เวทนาทางจิตมาทําไมทำไมำไมีแต่คําถามถ้าสติเกิดปั๊บําว่าทําไมไม่มีมันจะสูบว่าโธรรมดาธรรมดาธรรมดานะเบิกปัญญามาใช้รู้แจ้งโอ้ธรรมดาธรรมดาปัญหาที่เราคิดมากถ้าคิดเมื่อไหร่แล้วก็ถ้ากบบเป็นการเพิ่มบีบีเราเวทนาให้มันรุนแรงไม่อย่างกับเอาน้ามันไปราดกองไปลักก็ไม่ใหญ่เลย สติรู้ทันในเวทนาปั๊บเนี่ยจิตใจมันจะไม่คิดปุ่มแต่งนอนการมีสติรู้การเรยเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นเวทนาแล้วก็จะเห็นจิตใจที่มันทํา ง, งานตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อี้จิตใจนี่แหละเห็นจิตใจมันทา ง, งานโอใจมันมีหน้าที่รู้นี่ใจมีหน้าที่รู้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตารู้เสียงทางหูรู้ลิ้นรู้รสชาติต่างๆ รู้กลิ่ที่มากระบจมูกรู้ความคิดจิตทํหน้าที่รู้และมันก็ดับไปถ้าใครไม่มีจิตไม่มีรู้เนี่ยถือว่าเป็นแค่เพียงธาตุมีแต่กายจิตทํหน้าที่รู้และนอกจากความรู้เนี่ยจิตไม่ ท, ทําให้คิดปรุงแต่งไอเ้เรื่องสำคัญมากไอ้ควคิดปรุงแต่งเนถ้าคนสติรู้ทันในความคิดปรุงแต่งเลยแล้วก็ความคิดก็จะหยุดกันดีคนคนสติบ่อยเนี่ย สติจะคมจะมีลังจะควบคุมความคิดคุมกําเนิดความคิดไม้มันปลุงมันแตกถ้าจิตไม่ปลุงเลยแล้วก็จิตจะเกิดปัญญานะแต่ไม่ใช่ห้ามความคิดอย่าไปห้ามความคิดถ้าาห้ามความคิดเราจะไม่รู้จักจิตใจเลยปล่อยให้มันคิดแล้วเราก็รู้เท่าทันนะนะรู้ทันความคิด เมืม่อสติรู้ทันความคิดเนีแล้วคามคิก็จะดับทันทีเลยดับตอนนั้นเราตาเนี่ยจิตก็จะสงบเป็นขณะขณะจิตก็จะมีประสบการณ์จะมีพลัจะมีประสบการณ์มากยิขึ้นจะเห็นแจ้งเรื่องความคิดนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสําคัญเนระ่อความคิดเนี่ยถ้าเราสติมากๆเนี่ยแม้มีความคิดความคิดก็จะเกิดขึ้นแบบคิดในทางที่บวกที่มองในแง่ดี ถ้าาตาสติมีความคิดอึ่งมาปั๊บความคิดก็จะมองแบบชีวิตเราในแง่ล้ามองโลกในแง่รายคนที่จเจริญสติในเมืองเนี่ยจะมองโลในแง่ดีเป็นส่วนมากนะนอกจากจะมองโลในแง่ดีแล้วมองโลกในแง่ความเป็นจริงด้วยจิตจะผลิตความคิดที่ส่วนดีออกมาหมถึงว่าคิดความทุกข์เนี่ยทำให้เราได้เห็นธรร ม, มนะเนาะความทุกข์สอยเราเข้มแข็งอดทน ถ้าขาดสติไปแล้วก็โอ้เราแย่เราไม่ไหวแล้วมองแในแง่ลบชีวิตก็จะล่องอยู่เรื่อยแล้วอยากถามหน่อยว่าในความผิดที่เกิดขึ้นเวลากาลายเป็นทุกข์เนี่ยเรามองในแง่ดีหรือในแง่ร้ายมากกว่าเราจะมองในแง่ร้ายมากกว่าแล้วถ้ามองในแง่ร้ายเนี่ยมันทําให้เราต้องมาทุกข์ไหม <c oughs> ถ้ามีสติเนี่ยความคิดจะออกมาในส่ที่เป็นดีเป็นฝ่ายกุศลง่ายเลย มองทุกขเวทนาและอดทนกับมันด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีทำไความคิดมีพลังนะความคิดมีพลังมีพลังโน้าพมากถ้าเราคิดดีเมื่อไหร่เราก็ชีวิตเราก็จะมีมันจะมีกำลังใจกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเผชิญหน้ากับความเจ็บไข้ร่ป่วยถ้าเราคิดในแง่ไม่ดีเนี่ยมันจะส่งพลังกิจปในทานไม่ดีเนี่ย แล้วเราก็ชีวก็จะจงแยง่ๆไอ้ที่ป่วยก็หนักไอ้ที่มันถ้าจะไม่รอดก็ไม่รอดจริงๆเพราะความคิดมันนันาจะตายอยู่เรื่อยเลยมองในแง่ดีไว้ก่อนถ้าสติไม่เกิดถ้าสติเกิดแล้วก็มันจะรู้ทันในความคิดท่านในแง่ดีในแง่ไม่ดีคือความคิดความคิดสักว่าความคิดมันจะสัตว์บุคคล ต, ตัวเราเข่ามือนกันสติเกิดขึ้นไหนแล้วก็เราจะมองว่า สุทุกขเนี่ยไม่ได้ขึ้อยู่ความคิดความคิดเป็นเแขกที่จรมาชั่วคราวแล้วก็จอนจากไปทุกครั้งที่จิตมันคิดมันมาจิตก็เศร้าหมองนะจิตก็มีการโมหมองหมองหมอแล้วความคิดนั้นจะดีก็ตามข้อาะโมหมองนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ถึงว่ายังมีการปลุ่มเนี่ยยามใดที่สติเกิดมาเราก็จะรักษาจิ ให้มันป่องใยแค่ปกติอย่างเดียวเท่านั้นเองเนี่ยมันก็จะ ก, การความคิดได้อนุภาพการมีสติมันจะเห็นความที่ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กลับไปตัวปัญหาคือตัวความคิดในชีวิตของเราคนเราเป็นทุกข์ในไม่เกินความคิดความคิดนําเอาการยิดมั่นถือมั่นมาสู่เราความคิดนําเอาตัวตนมาสู่เราไม่ใช่รังเกียจความคิดไม่รังเกียจแต่ว่าให้เรารู้ทันว่าเป็นอย่างนั้นจริง มิสตริรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือความคิดกรรมทั้งหลายมาจากความคิดจะแค่งไหนเวรกรรมต่ตางๆก็จะความคิดจะแค่งไหนถ้าจิตไม่คิดเนี่ยตอนนั้นกรรมไม่ส่งผลนะเราเคยทําไม่ดีมาอะไรแต่ไรถ้าเราไม่คิดสงดท้าก็จะไม่กลาบกุญแแต่คิดหมาแล้ว ก, ก็มันเป็นกรรมบังทีเลยเราเคยขโมยของใครมาถ้าไม่คิดกรรมก็ไม่ส่งผล ต่คิดเมื่อไหร่เราก็อู้เราเคยขโมสยสตังค์คนโน้นคนนี้มาเคยเปิดกระเป๋าแม่แล้วไม่บอกครับคิดตีไรโอ้ที่เราเป็นกรรมเราเป็นขโมยนะแล้วและหลายครั้งที่เราเป็นทุกข์เพราความคิดแต่ความคิดเราห้ามไม่ได้ถ้ามาเกิดขึ้นมาเหมือก็สติรู้ทันเลยความคิดสต่ว่าความคิดไม่สัตว์บุคคลตัวๆเราเผาเนี่ยมันคนกรรมนะจะไม่มีกรรมเพราะคนที่สร้างกรรม ไม่ดีเพื่มากๆน่ยบาปกันมากเนี่ยจะไม่ให้คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องคิดจิดทําอะไรไว้เนี่ยจิตจะต้องสำลักสื่งน้นออกมาแต่ให้เป็นไรนะเรามีวิธีการเอาชนะความคิดแล้ว่าสิ่นั้นมันคิดไมู่่แล้วมีสติรู้ทันจิตมันก็พ้นจากความคิดทันทีก็บ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าความชั่วความผิดอย่าทำได้เลยดีกว่ามันมีผลั้าเราใจเราซ่อมหมอ ทำความดีมากๆแม้ว่ามีความคิดมันก็จะส่งเป็นการดีขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจิตก็จสะสงบได้ง่ายถ้าจิตมาคิดที่เป็นการดีขึ้นมาไม่ห้ามแต่รู้นะทันเนี่ยคือรูุ้ดหลุตรงที่รู้ทันให้มันแยกระหว่างความคิดกับสติปูรู้ให้ได้ไปคิดเอาก็ไม่ได้ต้องเจิอสตมิมากๆท้นสติมากๆแล้วจิตมันก็จะค้นจากอารมณ์นั้นไปเอง ไม่ต้องไปขับไล่เรามีน้ำขุนอยู่หนึ่งแก้วอย่าไปเททิ้เงเต้น้ำใสเข้าไปแล้วหากน้ำใสเต็มแก้วน้ำขุนนก็หมดไปเองเรามีบาปมีทุกข์มีสิ่งที่ไม่ดีเยอะไม่เป็นไรแต่เรสติมากๆทำความรู้ตัวมากดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูการปรุงแต่งจิตจิตมันก็จะมีที่ว่างไม่มีอารมณ์ที่มาปรุงแต่งง่ายๆมันง่าย ที่จะรู้สึกตัวง่ายจะมีสติมันยากที่จะคิดอะไรนะแต่ถ้ า, าจะไปต้องคิดความคิดจะเป็นระเบียบเป็นระบบมากคิดไปฝ่ายกุศลมากกว่าจิตจะมีความเบิกบานถึงเวลาหยุดคิดก็หยุดได้ถึงเวลานอนก็ต้องเอาเรื่องอะไรมาคิดมันจะหลับเองโดยตัวนิพพานวจิตมันคิดเกียวคิดละเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่หลับง่ง่ายมีสองประเภทคือโมหะมากอย่าง หลับง่ายเคียร์ลายได้โมหะก็ไม่รู้่าหลับแล้วทีอีกเภศนึงคือมีความรู้สึกตัวตัวกล้อไก่มีแรงรุงแต่งจิตมันก็สบายแล้วก็หลับมันจะเห็นนะปุสติษษษษษษษษมากๆจะเห็นแจ้งรู้ทันจิตรู้ทันกายแล้วก็จะมีปัญญารู้แจว่ามันไม่ใช่เราที่แท้จริงการเห็นธรรมมากคือการเหิ่งอะไรหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาริทั้งดับไปเป็นธรรมดาแบบอัญญากนอญยา ไม่มีอะไรที่งคงทิถาวรมันเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปแม้แต่ตัวสติเองก็เกิกดือและกระดับไปโดยไม่เที่จิตใจก็เหมือนแท้จิตนี่มันเกิดมันดับทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันทำงานดังคนที่ชอบดูจิตดูความคิดดูอารมณ์เนี่ยต้องฝึกรู้บ่อยร่วม่ะ ที่อาจารย์ประสงค์ท่านพูดไปขับสอนไม่มีบ้างแล้วบอกว่าเมื่อจิตไหลก็ให้รู้ดูที่ิหลงครุ่นคิดก็ให้รู้ดูเอาไว้เมื่อจิตเผลอก็ให้รู้ดูเข้าไปผะสุดท้ายมีแต่รูปผู้ไม่มีนะไม่มีตัวเราตัวสิที่เป็นผู้รู้นะมันพ้นเลยนะถ้าพ้นตัวเราไปแล้วก็เราก็ไปเกิดและใครจะไปแก่ใครจะไปเจ็ยมใครจะไปตายใครจะไปสิ่งรกรรม มันเป็นตัวเราเพราะเราไปยึดติดว่าเป็นเรามันพ้นจากตัวเราเพราะไม่ยึดติดมันเป็นธรรมชาติของการงิดอย่างนั้นเองจึงบอกว่าให้ปวดเป็นขั้สุดท้ายก็ทุกข์นนสุดท้ายตานเนข้นสุดท้ายเมื่อต้องกลับมาเปิดใจป่วยจะทุกข์จะเจ็บไข้จะป่วยหรือจะตายนะครับสุดท้ายคือมติรู้ทางกันว่ามันไม่ใช่เราไม่มีอะไรพิสูจน์เลยว่ามันเป็นเราหรกไม่มี ถ้าเป็นเราเนีต้องเชื่อเรานะมันต้องไม่แก่มันต้องสวยมันต้องไม่เสียงมันต้องไม่ตามันเชื่อเราอะไรก็เป็นเราเหมาะนั้นถ้ามันไม่เชื่อเราเนี่ยทีหน้าเราไม่เชื่อเราเป็นกรรมของกายกรรมของนเพราะคั้นใครตามาที่ป่วยไข้ก็อยากไปทอแท้ใจยาสิ้นหวังยาเศร้ามองเราสามารถเอาความป่วยไข้เนี่ยมาเป็นครูสอนทักได้ถ้าเราเกิดปัญญาได้ เมื่ออย่างใ น, นสมัยพุทธกาลเห็นไหมรติตะติสตะเทระท่านป่วยเป็นโรคอะไรเน่าทั้งตัวเลยมีเลือดละเละือนกันหนอพระพุทธเจ้าไปประลบไปช่วยและไปสอนธรรมะให้เป็นภาษาบาลีที่เราเอะไรอธิลังวัตยังกายโยปัติเวงวิเ ศ, รศรรษสติจุทโเพตวิญญาโนนีนถังวัคขลิขหลัง กายนี้จกไม่นานหนอะต้องถมทับแผ่นดินเมื่อบินญามหลับไปแล้วเหลือแต่กายชี่ไม่มีสาระดุดดังท่อนไม้ท่อนปืนบนะอให้กายนันไม่เที่ยง ท, ท่านกาถึงธรรมะไอ้ความไม่เที่ยงตัวเนี้ว่าไม่ใช่เราแม้แตก็ท่านก็เป็นอาหารหันต์้ะฮะที่ป่วยไข้เป็นอาหารหันต์ทันทีแล้วพวกเราเนี่ยไม่ถึงกับนอนฟรีทูดอย่างนั้เราก็มีโอกาสเป็นอรหันต์ได้มาก อาหารคือการสิ้นกิเลสขณะจิตใจหมดสิ้ น, นการยึดมั่นถึงมั่นนี่ในการปล่อยวางอย่างจะยึดไหมร่างกายสปบะเทคถิมันจะเป็นทุกข์นะร่างกายต้องจะปล่อยวางโลคไปยกรเจิดกรนเรื่องของกายกายมันก็เสื่อมมันก็โศมโรคมันก็แทะบางครั้งก็กินไม่เข้าบางทีก็ถ่ายไม่ออกนั่นเหนือลิขิของเราที่แ ท, ท้จริง แต่อย่าไปทิ้งมันไปไหนในคณะที่กายคือคนไข้ปิปัญญาคือหมอช่วยดูแลมันไปแล้วก็ทำประโยชน์เอามันมาเป็นเรือข้ามฟากไปสู่นิพพานอย่าป่วยฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆเอาเป็นประโยชน์ขี่มันไปสู่นิพพานเลยขี่มนโดยการที่อยู่เหลือมันซะมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่รับใช้เราอย่าไปเศร้าหมอเคา เนีย่ยรู้เนีย่ยรู้จักตัวเองนะการปฏิบัติธรรมเพื่อการารู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเวลาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเพียรพร้อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองยกถามดาศ์ชื่อเสียงอำนาจและความรู้ต่างๆดีๆต่างๆจะสมบูรณ์มากมาจะแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มารู้จักตัวเองเนี่ยถือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไรส้สาระมากเพราะว่าถ้าไม่รู้จักตัวเองไลแล้วก็เราก็เป็นทุกข์เมือ น, นั้นใช่ไหมทุกข์เพราะไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจธรรมะเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วสิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้เราควรจะถึงคือความไม่มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยรายสรางการเกิดขึคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษเราท่านอาจจะเดินทางถึงความที่ทุกข์ไม่ถึงแต่เรานี่ห ล, ลังเราที่หละ่ะตึ่นเชื่อสาจะเดินทางถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ในปัจจุบันชาตินี้ไม่ต้องรอให้ลูกเดินต่อกล้าไหม เราอาจปัจ ญ, ญายตอวว่าเอาละกเกิดขั้สุดท้ายนาทีชีิตนี้ถ้าเราไม่ปัญญาณตรงนี้เนี่ยมันลำบากนะมันลำบากถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ลองอปฏิบัติทำเนี่ยมันจะลำบากเมื่อถึงคราวร่างกายมันต้องเข้าขัน้นเกปายขึ้นมาเนี่ยหมดอายุจิตใจมันจะถล่สังเวชได้คิดแต่มันสาเกินไปแหละ ดูนี่เราปฏิบัติทําให้มากากด็ดีใจจะเกิดความฟุ้งซ่านสับสนสับสนเมื่อมีสิ่งค้างคาใจเพราะไม่เข้าใจธรรมะและไม่เข้าใจตัวเองก็จะตายไปด้วยจิตที่ศ่อมหมอกคาสติหลงตายเลยแล้วเอาไบภูมิที่หวังได้อย่ารอถึงคนนั้นนะผมเองนี่รับสุการฟังหน่อย พยายามที่ร่างกายไม่มีการไม่เคยกลับดูตัวเองเลมุ่งหาแต่สิ่งไปนอกมองสิ่งนูมองสิ่งนู้นไม่เคยกลับตัวเองดูตัวเองว่มันหิวแล้วก็หาอะไรกิน <c oughs> ไม่เคยสนใจเลยตรงทั้งชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปมันพบจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนจะต้องมีจุดเปลี่ยนนะอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนจากจุดยืน มาเป็นจุดนั่งแะจุดนอนไม่มีปากเข้าสู่จุดยืนอีกแล้วตลอดชีวิตนี้มีจุดนั่งแะจุดนอนวันวันก็นอนมากกว่าวันก็นั่งมากกว่าไอสองจุดเนี้ยไม่เคยน่ผมไม่ไหนและผมจะไม่รับรองไม่กลับไปเป็นจุดยอีกนะมันทุกอีตอนเปลี่ยนจุดจิตมันไม่เคยสนใจกับทุกผังกายเลยหรือนะ คนจะตายเลยมันสนใจกระทุกข์ทางกายแล้วมันจะปล่อยวางกายแล้ ว, ม, ล ว, ลวมีความรู้สึกว่าเราจะไม่รอดเพราะเราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้หายใจก็ไม่สะดวกเพราะว่ากระดูกระดับห้าเนี่ยมันหักตัดเส้นประสาทตรนี้ไปเนี่ยระบบการหายใจเนี่ยเปลี่ยนทันทีเลยโซล่านี่มันถูกยึดหายใจไม่ได้มันถูกลักมีดึความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรในขณะนั้นเนี่ย พยายามที่หล่นเต็งที่ไม่ได้คําตอบว่าเราเป็นอะไรทําไมต้องเป็นอย่างนี้มีแต่ความสงสยัยสงสยัยจนกระทั่นเราจะหมดลมหาใจอยู่แล้วทำน้ำว่าจะไปไป่รอดแล้วก็ยอมรับความจริงจิตตอนนั้นเปนจิตที่สบายมากเลยจิตที่ยอมรับความจริงที่มันปรากฏขึไม่เลยเกิดปัญญาในขั้นหรือว่าทุกตะก ร, ร้าเกิดแก่เวลาที่เรามีความทุกข์มากๆเนี่ยมีโรคภัยเจ็บรุนแรง แล้วจากย้อนรับความการย้อรับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเป็นการปล่อยวางไม่น้อยนะไอ้ที่เราทุกข์มากเราไม่ยอนรับความจริงทําไมถึงมเป็นเราทําไมไม่ทำแห้เราหนอไอ้สิ่งที่คิดแต่เนี่ยมันทำให้เราทุกข์มากัเราหยาบเนี่ยเราสงสัยมันจะไม่รอด